สารณะของพระแตกแถวหลวงพ่อปรารภถึงลูกศิษย์ฝ่ายคารวะสองสามคนที่สามารถสอนธรรมะผู้อื่นได้แล้วปรารภถึงศิษย์ฝ่ายสงฆ์พวกครูบาเนี่ยทําไมมันถึงไม่เก่งเหมือนกับชาวบ้านไปช่วยกันวิจัยลองดูเด้อมันเพราะอะไรสงสัยมันยึดสารณะไม่เหมือนกันมั้งพวกชาวบ้านเขาพุทธทางสารนังคัจฉามิ ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกพวกบวชเป็นพระเนี่ยมันไปเปลี่ยนพุทธทางไปเป็นอย่างอื่นชาตรูปังรชัชตังสรารนังคฉามิสังเกตดูว่าหลวงพ่อมีเวลาไปร่วมทำวัดสวดมนต์สองสาครั้งที่มานี่ตอนเย็นพอหนาตาหน่อยพอตอนเช้าแทบจะไม่มีพระขึ้นสวดมนต์ทวัดแต่ว่ามันไม่เคยต่อว่านะ ทำไมไม่เรียกผมไปสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นบ้างไม่เคยมีใครต่อว่าแต่ถ้าเขาถือกระดาษแผ่นน้อยๆเดินนิมนต์บางสุกุลเขาจะถามชื่อผมมีไหมเพราะฉะนั้นจึงสันนิฐานได้ข้อมูลว่าพวกนักบวชเนี่ยบวชมาเพื่อเงินมันจึงไปเปลี่ยนเป็นคำปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้า เปลี่ยนจากพุทธทังไปเป็นชาตรู ป, ปังรัชตังสารนังคฉามิข้าพเจ้าถือเงินและทองเป็นสารณะที่พึ่งมันน่าจะแปลเป็นอย่างนั้นไปสวดมนต์บนสาลามันไม่มีใครจ้างสิสวดแล้วไม่มีใครถวายใบประวารณาแต่ไปสวดมนต์ในบ้านมันแย่งกันไปถ้าเพื่อนเขาไปสองสมทีมันไม่มีชื่อมันมาต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่มันจะทะเลาะ ก, กันเพราะเหตุนี้ เพราะฉะนั้นพวกนักบวชที่ถือเงินเป็นใหญ่บางวัดทําอะไรแปลกๆเอาไว้ทําเป็นประตูเป็นวงล้อมเอาไว้ใครจะผ่านเข้าไปหยอดเหรียญถ้าเขาไม่หยอดเหรียญเข้าดูไม่ได้เพราะฉะนั้นสรณคมของพระนี่มันต้องเปลี่ยนเป็นชาตรูปังรัชตังสรนังคัจฉามิอามิตตังสารนังคัจฉามิปุคลังสารนังคัจฉามิ ใครสร้างวัดขึ้นที่ไหนประกาศโฆษณาให้คนไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมแต่พอไปไปมามาพอคนศรัทธามากๆหาเรื่องทะเลาะ ก, กับชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาไล่หนีเพื่อตัวจะได้หอบเอาเงินของวัดไปด้วย